นะรู้ดีรู้ชั่วไม่โกหกตัวเองรับรองเลยว่าจะไม่โกหกคนอื่นแน่นอนส่วนใหญ่เนี่ยคนที่โ ก, โกหกคนอื่นเนี่ยก็คือโกหกตัวเองด้วยแน่นอนอยู่แล้วแต่คนถ้าไม่โกหกตัวเองแล้วรับรองได้เหมือนกันว่าไม่โกหกคนอื่นนะมันเป็นไปตามสัจจะอืม <c oughs> <c oughs> โอ้สั้นนะนะคันนี้มาดูหัวข้อ 4.4 การแสดงความก้าวร้าว aggressive aggression นะไม่รู้อ่านถูกกัเปล่านะภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาหรือตอบโต้ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกวิธีหนึ่งแต่ก็เป็นลักษณะของพวกกระเดียดไปทางพันพานเป็นพวกที่ยังมีความถือสาแรงมานะที่ถิดจัดจัด การแก้ปัญหาแบบนี้ไม่มีวันสำเร็จเด็ดขาดเพราะมิได้ใช้สติปัญญาเข้าพิจารณาแต่อย่างใดยิ่งเมื่อต่อสู้หรือทำลายสิ่งที่มาขัดขวางไม่ได้ก็เลยถลาไปทำกับสิ่งที่อ่อนแอกว่าเรียกว่าเตะพ่อเขาไม่ได้ก็หันไปเตะลูกของเขาเออแหมเตะพ่อไม่ได้ก็ไปเตะลูกเป็นซะ อ, อย่างนั้นนะพานนั่นเองพูด ง, ง่าย นะแก้ปัญหาเป็นวิธีการแก้ปัญหาไงแก้แค้นอ่ะสมมติว่าเกิดแค้นขึ้นมาเนี่ยเตะพ่อไม่ได้เตะลูกมันชะล่าฮะนะบางทีเออเตะลูกไม่ได้ก็เตะเตะรั้วมันหักเออเตะหมาเหรอเออเตะหมาทีททา่ที่บ้านาเขาเลี้ยงไว้เตะหมาไม่ได้ก็เตะรั้วบ้านให้พังเลยรั้วบ้านมันสร้างเอาไว้ก็เป็นตัวอย่างเงี้ยก็พานอย่างเงี้ยนะ เป็นการแก้ปัญหาคล้ายๆว่าจิตมันแค้นใช่ไหมทำร้ายไอ้นี่ไม่ได้ก็ทำร้ายไอ้ต่อไอ้ย่อนลงมาทำร้ายไอ้นี่ไม่ได้ก็ทำร้ายไอ้ย่อนลงมาอีกเนี่ยนี่ก็คือการที่เราจะได้ดูจิตเราว่าเออจิตเรามันพ่านจริงๆนะบางทีกินส้มตำไม่ได้ก็ ก, ก, <c oughs> กินมะละกอแทนกินมะละกอไม่ได้อะไรอ่ะคล้ายๆมะละกอน <c oughs> ะอ๋อแครอทเหรอ มันเหมือนที่ไหนแครอทเหมือนมะละกอรตรงไหนอ๋อสีมันส้ ม, ส, มส้มเหมือนกันเหรอฮะเออนะกิ น, ก, นะะ ก, กินส้ม ม, ม, มนะล <c oughs> ะกอไม่ได้กินส้มมะม่วงอะไรนะเอามะม่วงมาทําแทนนะแล้วมีอะไรอีกหนะ้าที่ที่บอกว่ามาใช้แทนได้นอกจากมะละกอมะม่วงแล้วอะไรอีกเนะี่ยฮะ เที่ยวมาทำส้มตําอ่ะถั่วฝักยาวเออกินกินมะม่วงเอามาทําส้มตําไม่ได้กินถั่วฝักยาวแล้วก็อะไรอีกอกะลําปีอะ่ะเอออ้าวคือนั่นแหละมันก็ย้อนยอน้อย้อนไปเรื่อยอะ่ะแต่ใจ จ, จริงๆนี่อยากจะกินส้มตํามะลกอที่สุดแต่มันมันทำไม่ได้อะนะ่ะมันไม่มีให้กินก็อา้าวย้อนลงไปย้อนลงไป ไปกินไอ้นั่นไปกินไอ้นี่ไล่ลูกโซ่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยแหละให้เราดูจิตเราว่าเออบางทีจิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะนะบางทีกินทั้งชามไม่ได้เอาแต่ลิ้นนิดนึงก็ย่างดี <c oughs> นะก็ให้ดูจิตของเราเองก็แล้วกันฮะจิตมันหลอกเรานะเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยหรือแม้ที่สุดแกล้งใหญ่ๆไม่ได้ก็หาเรื่องแกล้งเ <c oughs> บ็ดเตล็ดเรียกว่า แกล้งผ่อนส่งเขาก็ใช้ส้ำนวลนะนะเช่นลูกน้องจะขอลาก็ไม่ให้คือคือคือคือไม่ชอบใจลูกน้องอนะนะลูกน้องมาขอลาก็เลยคือคือคือไม่ไม่ทำอะไรอย่างอื่นลูกน้องอ่ะนะแต่ไม่ชอบหน้าวันพอมาขอลาก็เลยไม่ให้ลาซะเลยนั้นก็แกล้งไปอย่างอื่นซะจะทำโน่นทํานี่ก็ไม่อนุมัติ นะลูกน้องเนะมาขอทำโน่นทำนี่ไม่อนุมัติแก้งครับผิดนิดผิดหน่อยก็มองเป็นเรื่องใหญ่โตวงเล็บกรณีไม่ชอบหน้านะคนเราถ้าลองคิดอยากจะทำอะไรแต่ถ้าถูกอะไรก็ตามมาขวางทางไว้เรียกว่ามีอุปสรรคจนทำให้ทำสิ่งนั้นต่อไปอีกไม่ได้ถ้ายังวางไม่ลงยังถือสากันอยู่ขั้นห ย, ยาบ ก็อาจถึงขั้นทำร้ายกันเลยลองลงมาถ้ายังเกรงอกเกรงใจกันอยู่ก็อาจแค่โมโหข้างในละเอียดเข้าไปอีกก็อาจคุนคุนหรือถ้ามีความรักเข้ามาแทรกยังถือตัวเองเป็นผู้ถูกรักอยู่ซึ่งไม่เฉพาะแต่เพียงเรื่องคู่รักกันระหว่างสิทธิ์อาจารย์เพื่อนกับเพื่อนแม้ก็ยังมีความน้อยใจกันได้เป็นธรรมดา นะไม่ใช่แค่เรื่องเกลียดนะเรื่องความรักก็ยกตัวอย่างได้เหมือนกันนะส่วนการเกลียดที่หน้าบางคนคนที่หน้าหน้าเหมือนก็พลอยรับเคาะไปเพราะจะต้องถูกเกลียดโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนทําอะไรผิดเลยเ อ, อบางคนไม่ต้องเอาเอาเอ า, เอาหน้าเหมือนหรอกบางคนชื่อเหมือนนะแต่หน้านี่ไม่เหมือนกันเลยนะ แต่บางเออบางเ อ, อินชื่อเหมือนคนที่เราเกียดเราเลยพอยเกียดไอ้คนนี้ไปด้วยเลยว่ามั น, มนบอกมาชื่อนี้ทําไมอ่ะ <c oughs> นะก็เลยเกียดคนนี้ไปด้วยนะพานก็เลยแกล้งไอ้คนนี้ไปด้วยเลยทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งที่จริงๆไงค น, นนี้ไม่รู้อีหนุหนน่ยเหนอะไรเลย <c oughs> อ่าหรือนะทะเลาะกับแฟนก็พานทุกข้าวทุกของนะอันนี้จะเห็นได้ง่ายหรือไม่ชอบหน้าพ่อแม่ของเขา ก็เลยเกลียดคีดหน้าลูกดุของเขาถ้าในสังคมไม่ว่าจะเป็นจอแก้วจอเงินหรือจอจริงเราก็จะพบวิธีนี้เยอะกล่าวคือคนที่เหม็นหน้าเพื่อนบางคนพอมีโอกาสเป็นไปได้จะต้องเที่ยวระบายเที่ยวพูดความไม่ดีของเพื่อนให้คนอื่นฟังทั้งเรื่องจริงทั้งแต่งเองถ้าเขาเกลียดตามไปด้วยก็ชื่นอกชื่นใจ นะอันนี้และนะไม่ไม่เบาแล้วอันนี้แหละพวกเราอ่ะนะมีนะอันนี้มีไม่น้อยเลยเกลียดใครไม่ชอบใจใครก็เอาไประบายนะไปว่าไปบอกนี่คนนี้มันทำไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้ก็นินทาท่นเองพูดง่ายเอาคนอื่นเข้าไปนินทานะไม่ใช่เอาไปวิตกวิจารณ์ เพื่อจะสร้างสารอะไรอย่างนีอแต่ว่าเอาไปพูดให้มันสะใจจับกิเลสแล้วให้ทันว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะยิ่งพอเวลาพอพูดไปนะคนอื่นก็เห็นเห็นด้วยเห็นด้วยคอยตามนะหนุนมีลูกหนุนบอกดีแล้วเนี่ยมาหลังเธอเจอเธอตบเลยนะโอ้ยหนุนมาอย่างนี้แล้วยิ่งมันเขี่ยวใหญ่เลยสะอกสะใจใหญ่ แลนะอย่างเงี้ยต้องระวังว่าจิตเรานี่มันมันแย่ละมันมันปรุงไปตามคือตอนแรกก็เล่าให้เขฟังเขาก็แหมอินเหลือเกินคือคือคื อ, ค, อคือตีบทแตกเหมือนกันเขาก็อ่เขาก็ตามตามสนับสนุนเลยเพราะเราก็เลยพลอยบ้าตามไปอีกด้วยก็เลยหนักขึ้นเลยแทนที่กิเลสจะลดลงจะห้ามกั้นกิเลสเราก็เลยกลายเป็นเพิ่มกิเลสแล้วหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยน้หรือว่าแกล้งหัวหน้าไม่ได้ก็แกล้งลูกน้องเขาบางคนทะเลาะกับคนรักมาก็วิ่งเข้าไปให้รถทับฮะบางคนทะเลาะกับคนรักมาก็วิ่งเข้าไปให้รถทัพเอ๊ะมันยังไงทะเลาะกับคนรักผ่าน พ๋ อ, อทำอะไรคนรักไม่ได้เนะทะเลาะคนรักทําอะไรคนรักไม่ได้ก็เลยพาดให้รถมันมาทับเราซะเลยทะเลาะกับพ่อแม่ก็วิ่งเข้าหายาฆ่ า, มาแมลงทะเลาะกับเพื่อนถึงขั้นป่วยเลยก็เป็นได้ลักษณะพวกเหล่านี้จึงมักผสมกับพวกชอบประชดประชันอยู่บ้างเหมือนกันไม่อยู่บ้างเหมือนกันแหละประชดประชันมากเลยละ แล้วเป็นด้วยส่วนใหญ่ไปสังเกตดูนะอาการเนี้ยไปสังเกตดูอาตมารู้สึกว่าพยายามระวังมากเลยอาการนี้ยิ่งบางทีเราไปอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดบางคนเนี่ยนะหงุดหงิดโดยหาสาเหตุไม่ได้คือคือคือจับจิตไม่เก่งนั่นเองเลยไม่รู้สาเหตุว่าตัวเองอยังหงุดหงิดเพราะเรื่องอะไรแต่ที่รู้ๆก็คือว่ามันอยากระบายออกอะ เพราะนั้นบางทีนี่ใครมาขวางหูขังตาใครมาทําอะไรหรือว่าพูดอะไรที่ชักไม่เข้าหูเรานี่นะเราเตรียมละไอที่เราเราเราอัดอัดไว้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเตรียมระบายใส่คนนั้นเลยบางทีเนี่ยเขาเข้ามาถามอะไรนิดอะไรหน่อยอาจจะถามแบบพชนิดที่เรียกว่าจริงๆไม่จะมากวนเราหรอกนะแต่มาจังหวะผิดอนะมาจังหวะที่เรากําลังอึดอัดอยู่จะระบายอยู่อย่างเงี้ย เขาก็เลยเป็นแพรับบาปอ่ากลายเป็นแพมาเลยเห็นเห็นคนกลายเป็นแพแล้วก็โยนใส่เลยเพราะอันนี้เราจะต้องระวังเรายังมีกันอยู่มากอันนี้ไม่ง่ายนะอัตมาจะบอกให้อันนี้ไม่ง่ายเลยยังอัตมาเนี่ยถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมาต้องพยายามจับแล้วก็ระงับให้ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าอย่าเอาเรื่องของคนคนหนึ่งเนี่ยไปยัดใส่อีกคนคนหนึ่ง เอาความโกรธคนคนหนึ่งไปอัดใส่อีกคนคนหนึ่งจําไว้ให้ดีระวังไว้ให้ดีอย่าทําเป็นอังขาดแล้วก็พยายามจับจิตตัวเองให้ได้ถ้าจับได้แล้วเนี่ยพยายามแยกให้ได้ว่าเออเรื่องนี้มันกับคนนี้นะเรื่องโน้นมันกับคนโน้นนะ่ะมันคนละเรื่องกันอย่าเอาไปปนเปนกันเพราะจิตที่มันเป็นพานเนี่ยมันชอบเอาไปปนเปนกันจนกระทั่งในที่สุดคนนั้นจะแยกไม่ออก เมื่อแยกไม่ออกนี่แหละมันพานเลอะไปหมดเลยเพรวันคราวนี้นะไม่ว่าหน้าอินหน้าผมถ้ า, ถ, าถ้าเป็นมากนะปนเปนมากแล้วเข้ามาเธอหน้าไหนก็ถ้าอารมณ์มันไม่ดีซะแล้วเนี่ยหน้าไหนก็สัดซัดให้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าใครยังพอจะมีจิตมีสติสัมปชัญญะอยู่จะแยกได้จะรู้ได้เพราะนั้นคนที่เราเคารพคนที่เราศรัทราธาเนี่ยไปสังเกตดูเราจะไม่ไม่ปล่อยอารมณ์อย่างนี้ให้เลย ไม่ปล่อย เ, อาเราไม่มีทิสัยเลยแต่ส่วนใหญ่เราจะปล่อยกับคนที่จริงๆแล้วก็คือว่าเหมือนกับมองเห็นหมูมาใช่ไหมถ้าคนที่เราไม่เคารพไม่ศรัทธาหรือเหมือนกับมองเห็นหมามาบางคนอย่างเงี้ Mother, Mother, Mary, ยหมาเดินมาดีๆเงี้ยเตะให้อ่ะนะเอ ENG เองๆหมาลองวิ่งหนีไปเลยนางก็พานใส่เตะมันเฉยอย่างเงี้ยนะเออ เตะแล้วก็สะใจรู้สึกว่าเราอาการดีขึ้น <c oughs> เป็นอย่างนั้นนั่นจับดูให้ดีนะตัวเนี้ยยังมีกันไม่น้อยเลยแหละนะหรือว่าบางลัทธิของไสยศาสตร์ก็ยังใช้วิธีนี้เลยอย่างเช่นโกรธเกลียดใครก็สร้างหุ่นขึ้นมาแทนนะนี่พวกวูดูวูดูนะพวกวูดู แล้วก็เอาเข็มจิ้มจิมจิมทำเป็นไอซีอิ U ทำเป็นน้ำจิ้มไปได้แล้วเอาเข็มจิ้มจิมพร้อมกับแช่งด่าไปพอทุเราในอารมณ์หรือกระทําไม่ดีไม่ร้ายกับตัวหุ่นบางคนถ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้ของคนไม่ชอบหน้าแล้วก็เป็นต้องทาท่าขยะขยงเผลอเผอก็แอบคว้างทิ้งเสียเลยหรือเพียงแต่เห็นข้าวของ ก็ขนลุกสู้เสร็จแล้วพวกนี้ก็เข้าข่ายพวกก้าร้าวเช่นเดียวกันความก้าร้าวจึงมักเป็นยาดําแทรกไปกับวิธีการแก้ปัญหาต่างๆอย่างแยกกันออกอย่างแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวนะความก้าวร้าวเนี่ยก็คือความสะใจนั่นเองคือความสมสมใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ให้ได้ระวังให้ดีจริงๆนะ ไอตัวนี้อาจรมาไม่รู้จะบอกอยังไงมันมันมันเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดทีเดียวแหละแต่ว่าคนนั้นเนี่ยถ้าไม่ฝึกจับจิตจับไม่ทันจับไม่ทันจริงๆแล้วก็ไม่รู้เลยว่าทำไมบางทีเราต้องไปผ่านไปใส่กับคนนั้นเขามันไม่รู้จริงๆเพราะมันมันจับไอสมุทรไทยจับตัวต้นเหตุที่ทำให้เราไม่ชอบใจเนี่ยมันจับไม่ได้เหมือบางทีอย่างอย่างที่บอกอะ่ะ เกียดพ่อเกียดพ่อก็เลยไปตีลูกแต่เกียรดพ่อนะแต่ไปตีลูกเนี่ยมคนไหนจับไม่ทันไม่รู้ลว่ว่าที่ตีลูกเนี่ยตีเพราะความเกียดพ่อจับไม่ทันแต่ว่าพอเวลาจะตีลูกเนี่ยเอาต้องหาเหตุผลมาสิใช่ไหมวันคนนี้ก็หาเหตุผลอื่นมาซึ่งมันไม่ตรงกับเหตุผลจริงก็หาเหตุผลมาลูกมันดือ้อมันไม่ยอมทํากันบ้าน มาโรงเรียนสายไอ้กลับกลับบ้านมาสายเนี่ยถึงเวลาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่กลับเนี่ยถ้าใครจับไม่ทันเนี่ยไม่รู้หรอกมากตอนนี้ที่เราใช้อารมณ์ตีตีตี ต, ต, ตีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเกลียดคนอื่นเราอาจจะไปเจอปัญหาเจออะไรมาแล้วเราแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้ก็เอามาลงแแมะไว้ที่ลูกนี้เพราะต้องจับอารมณ์นี้ให้ทําให้ให้ทันใครจับอารมณ์นี้ไม่ทันจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยแล้วคนนั้นก็จะ ไม่สามารถแยกแยะจิตตัวเองได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นคนที่น่าจะแก้ปัญหารักษณะจิตอย่างนี้ได้ต้องพยายามนะ่ะหัดจับจิตตัวเองแยกให้ชัดเพราะฉะนั้นจะต้องมีเวลาบุพเพนิวาสารุสติญาณหรือจะต้องมีเวลาทรรมวิจัยหรือจะต้องมีเวลาพิจารณาไต่ตองวิปัสสนาจิตของเราเนี่ยเสมอเสมอหัดแยกแยะดูสิ เออตอนนี้โกรธเนี่ยโกรธพ่ออะไรกันแน่เนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยไอ้ที่เราโกรธอยู่ตอนนี้แล้วโกรธเนี่ยไอ้ที่ไปว่าเขาอย่างนี้เนี่ยมันถูกฝาถูกตัวหรือเปล่านะหัดหัดพิจารณาหัดแยกแยะมีเวลาอีกอีกข้อหนึ่งไหมเนี่ยนะสั้นๆดีนะ น, นี้ 4.5 การเปลี่ยนไปสู่ความประเสริฐ ในภาษาอังกฤษ s u b เร m a t i o n ลักษณะแบบนี้จะคงเดิมทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนบทบาทของตัวไปเท่านั้นความต้องการของตนยังเหมือนเดิมวิธีการเพื่อบรรลุความต้องการนั้นนั้นก็ยังคงเดิมแต่ในสถานะนั้นทาไม่ได้เพราะสังคมนั้นหรือหมู่กลุ่มนั้นไม่ยอมรับก็ต้องหาทางเปลี่ยนสถานะของตนหาบทบาทใหม่เพื่อที่จะให้สังคมยอมรับ ซึ่งอาจจะดีหรือเลวในในทัศนาของสัตว์ในทัศนะของสัจจะก็ได้ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนชอบก้าวร้าวก็หาทางออกให้ตัวเองโดยไปเป็นนักมวยเสียเป็นการหาสิ่งอื่นทดแทนอย่างพวกเร่งกีฬาก็ก็ถือเป็นการทดแทนอารมณ์เพศสรุปง่ายๆก็คือความต้องการของตนสังคมไม่ยอมรับ ก็หาทางเปลี่ยนให้สังคมยอมรับเออพอจะเข้าใจไหมเนี่ยพอจะเข้าใจสภาวะอารมณ์ของจิตนี้ไหมกินไข่วัดนี้เขาไม่ให้กินนะวัดนี้บอกว่าโอ้เนื้อสัตว์ไม่ให้กินแล้วไข่ไม่ให้กินแล้วเพราะฉะนั้นเลยไปอะไรดีไปเอาอะไรมาทดแทนดีมาชดเชย อารมณ์ที่ยังอยากจะกินไข่อยากจะกินเนื้อสัตว์ฮะกินไข่ลูกเขยเจแทนนะหรือว่าไปกินอะไรนะไอ้ที่เขาทำขายอะไรอะไรที่ที่ปรุงปุงอ่ะที่เขาขายอ่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เจเนี่ย ก็แบบเปเจแบบอะไรพวกนี้เออไอพวกไส้กอกไอพวกมหมูแฮมอะไรนี่ยแหละคือคือสังคมเขาไม่ยอมรับใช่ไหมหมายถึงสังคมชาวโสกเราเนี่ยเราไม่กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นก็เลยก็เนื้อสัตว์มันกินไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นก็เลยต้องไปทําเป็นรูปร่างให้มันเหมือนเนื้อสัตว์มาแต่มันเป็นบังสิ่ับ แล้วก็กินอย่างนั้นแทนมันก็สะใจไปได้อย่างนึ่งแต่มันไม่มันไม่ได้ลดกิเลส ท, ที่สะใจของเราคือคือมันมันคล้ายๆว่ามันปรับเปลี่ยนไอ้รูปนอกดีขึ้นมาหน่อยแต่จิตเราจริงๆมันยังไม่เปลี่ยนแสดงว่าจิตมันยังอยากจะกินเนื้อสัตว์เข้าใจไหมจิตมันยังอยากที่จะ ก, กินไข่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำอะไรมาที่ต้องเป็นรูปอย่างนั้นมาต้องเป็นรูปแบบ ให้มีความรู้สึกว่าเป็นไข่ให้มีกลิ่นเหมือนกับไข่ให้มีลักษณะเหมือนเนื้อสัตว์ให้มีกลิ่นเหมือนกับเนื้อสัตว์เพราะนั้นจิตของคนนี้ยังเหมือนเดิมยังอยากจะกินอยู่แต่ว่าสังคมบางสวิรัติไม่ยอมรับให้กินเนื้อสัตว์ให้กินเนื้อสัตว์เพราะนั้นเขาก็เลยต้องทำอะไรที่มันเหมือนเหมือนหรือว่าคล้ายๆเพื่อให้มันได้เสพนั่นเองเพื่อให้มันได้กินสะใจ นอาวหรือตัวอย่างนะเป็นที่หนึ่งในบ้านนอกดีกว่าเป็นที่สองในเมืองกรุงก็เข้าตำรานี้อยู่วงดนตรีวงนี้ร้องเท่าไรก็ไม่ดังเพราะคนดังมันเยอะไปก็เลยไปเข้าวงคนดังน้อยหน่อยตัวเองจะได้ดังหรืออยู่สํานักนี้ไม่ค่อยได้โชว์เพลงดาบของตัวที่ฝึกฝนมาก็ย้ายไปตั้งสํานักดาบของตัว ทีนี้ก็จะได้โชว์สมใจกันละ่ะจับจิตดูให้ดีนะเขาก็ยกตัวอย่างมาหลายๆลักษณะหรือบางทีอยู่ครัวนี้ก็ไม่ดังสักทีเพราะนั้นก็เลยย้ายครัวไปอยู่ครัวอื่นไปอยู่ครัวอะไรบ้างครัวอันดามันอ่านะดูนะดูนะแล้วแต่นะของใครของมันนะ ดูที่เออเรามีกิเลสอย่างนี้อยู่ไหมบางกรณีก็เป็นเรื่องของความคับข้องใจอันเรื่องมาจากกฎระเบียบที่หมู่คณะตั้งเอาไว้เช่นห้ามพูดแบบนี้ห้ามทำอย่างนั้นแต่ถ้าใจมันอยากจะทำอยากจะพูดก็เร่ไปที่ใหม่ที่เขาไม่ห้ามไม่ว่านะเช่นวัดนี้ห้ามดูหมอห้ามรถน้ำมนต์วงเล็บ ก็เลยย้ายไปวัดที่เขาไม่ห้ามนะวงเล็บปิดหรือว่าโรงเรียนนี้กฎระเบียบมากไปนะวงเล็บก็เปลี่ยนไปหาโรงเรียนที่หย่อนย่อนอยู่นะหรืออีกตัวอย่างหนึง่งอยู่ที่นี่ทุกคนต้องทำงานต้องขยันวงเล็บก็เลยไม่สบายจะได้ไม่ต้องทำนะนะวงเล็บปิดเออดูให้ดีนะใครไม่สบายบ่อยๆนะ ดูนะว่าของจริงหรือว่าจิตนะดูให้ดีว่าป่วยป่วยสมูทานมาจากจิตหรือว่าป่วยเพราะกายมันมาก่อนป่วยป่วยเพราะกายมาก่อนหมายความว่าป่วยจริงๆแต่ป่วยเพราะจิตมาก่อนนี่คือจิตมันหลบเลี่ยงเข้าใจไหมจิตมันหลบเลี่ยงคือจริงๆรขี้เกียจแล้วไม่อยากจะทำแล้วจิตมันก็เลยอะไรอะ่ะมาสั่งกาย มาสั่งเอาไว้ว่าอย่างต่างบอกว่าเองจงบกพ้่องซะเองจะได้ป่วยและเองก็จะได้พักนะดูให้ดีนะว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าการเปลี่ยนไปสู่ความประเสริฐนั้นจึงเหมือนกับการตื้อนั่นแหละจะต้องทําให้ได้ไม่ได้ที่นี่ก็ต้องหาที่อื่นไม่ได้ในบทบาทนี้ก็ต้องหาหาบทบาทอื่นเพราะบทบาทอื่น ย่อมจะต้องเกิดหน้าที่อื่นๆตามมาด้วยหน้าที่ใหม่จึงเปิดโอกาสให้มีสิทธ์กระทำตามความต้องการเดิมของตัวเองได้ตัวอย่างที่เคยเกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดในอนาคตเช่นการอยู่กับอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาก็มากันเยอะแต่เจ้าตัวยังอยู่ในฐานะลูกศิษย์ย่อมไม่มีสิทธิ์ทำได้เท่าที่ควรก็เลยย้ายไปตั้งสานักใหม่ ตั้งตัวเป็นอาจารย์ทีนี้ก็ย่อมมีลูกศิษย์ตุกหาได้อย่างสบายเพราะบทบาทของตัวเปลี่ยนจากลูกศิษย์กลายไปเป็นเจ้าสำนักหน้าที่ก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยและสังคมก็ไม่ประนามในการตั้งตัวเป็นอาจารย์แต่ธรรมะนั่นแหละจะประนามเองหมายถึงว่าจริงๆตัวเองเนี่ยยังไม่เก่งพอหรอกยังไม่สามารถจะเป็นอาจารย์ได้ นะแต่อยากเป็นอาจารย์หรือว่าอยากจะมีคนมาเป็นลูกศิษย์ตัวเองเยอะๆเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อต้องการสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็หนีไม่พ้นสิแม้จริงๆตัวเองยังเป็นลูกศิษย์อยู่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าโอ้อย่างนี้นี่เราออกดีกว่าไปตั้งสํานักใหม่ได้สํานักใหม่เราก็จะได้เป็นอาจารย์แล้วก็เลยได้เป็นเจ้าสํานักอันนี้ก็คือพยายามเปลี่ยนสถานะตัวเอง ให้ตัวเองเนี่ยได้สมใจหรือสมความต้องการของเราอันนี้ก็มีมากเหมือนบางคนขี้เกียจเนี่ยอานมาเคยพูดไปนในบางกรณีมาเคยยกตัวอย่างให้บางคนฟังว่าอย่างข้อว่าขี้เกียจบางคนชอบมาถามขี้เกียจขี้เกียจเป็นไงอาจารมาก็ไล่มาให้ฟังจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่อาจมาบอกว่าบางคนขี้เกียจเนี่ยคือเราไม่อยากทางานนีแล้ว เราเนี่ยรู้ตัวเราเองว่าเราไม่อยากทํางานนี้เราขี้เกียจทํางานนี้รู้จริงๆแต่รู้ว่าที่นี่เขาห้ามขี้เกียจที่นี่ต้องขยันต้องหางานการทําจริงๆใครๆเขาอยากให้เราทํางานนี้แต่เรางานนี้เราขี้เกียจแต่เราไม่ชอบอ่ะเราไม่อยากทําเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นเราก็ต้องไปเอางานอื่นมาแทนที่ที่เราชอบทําที่เราอยากจะทํา เพราะที่นี่ห้ามขี้เกียจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปหาหที่มันถูกใจที่มันสาใจหรือว่าถูกกิเลสตัวเองทำคราวนี้เขายินดีเขาพอใจทำเพราะมันถูกจริตมันถูกกระใจแต่บอกว่ากิเลสลดไหมกิเลสไม่ได้ลดถ้ายิ่งทำงานที่ถูกใจตัวเองเนี่ยมันไปด้วยกันเลยแม้กิเลสมันไม่ได้ลดแต่บอกว่าคนนี้ขี้เกียจไหมคนนี้ไม่ขี้เกียจคนนี้ขยัน ถูกไหมล่ะอ้าวก็เขาทํางานเนี่ยเขาขยันเพราะอันนี้ระวังให้ดีบางคนเนี่ยงานนอกงานในระวังให้ดีเพราะบางคนเนี่ยทํางานนอกเนี่ยทาในลักษณะที่เป็นไปตามบรรทัดเกี่ยวกตัวเองเนี่ยบ่อยแล้วก็ทํามากๆจนกระทั่งบางทีเขาถึงบอกว่าถ้ามันทํามากไปมากไปจนกระทั่งติดเ ก, ก้าอี้บ้งหรือว่าหัวงเก้าอี้บ้างจะต้องระวังมันจะมีลักษณะนั้นนะจนกระทั่งเลยกลายเป็นรู้ว่า ให้ไปทา ง, งานอื่นที่เราไม่ชอบทําขี้เกียจทําอย่างเช่นถ้าอยู่ชอมารองเงี้ยเอาให้ไปล้างถ้วยล้างชามโอ้ไม่เอาไม่ชอบสกปรกนะเปียกด้วยแฉด้วยไม่ชอบทําเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ทําเลยจะไปทําหน้าร้านไปตากขายได้โชว์หน้าตัวเองหน่อย <c ười> คือกิเลสกิเลสมันชอบอย่างนั้นวันก็เลยแบบว่านั่นแหละ ถ้าจะให้ฉันอยู่ชมอมอลล์ต้องให้ชันขายนาฬิการังร้านฉันไม่ทํานะอันนี้มันเป็นไปตามกิเลสเพราะนคนนี้ทํางานนั้นจริงไม่ขี้เกียจได้งานที่เป็นงานภายนอกนี่ได้แต่งานนี้ไม่ได้งานภายในงานนี้เพราะว่าภายในเขาสะใจสมกิเลสเขากิเลสเขาเพิ่มกิเลสไม่ได้ลดเพราะนั่นเนี่ยอยากจะแนะนําพวกเราว่าบางทีถึงบอกว่าต้องฝืนใจเราบ้าง บางงานบางอย่างเนี่ยที่เรารู้เลยเราไม่ค่อยชอ บ, ชอบทําเลยเราค่อนข้างจะเกลีย ด, ห, ดหัดไปทำซะบ้างเราจะได้ฝึกปลือมลดละ ก, กิเลสของเรานะไม่ต้องเอาถึงกับโอโหไปทําแล้วมือไม้สั่นหน้าซีดตัวเหลืองเอออย่างงั้นมันอาจจะเกินไปนั้นะก็หางานที่มันอพอสมควรที่พอจะฝืนกิเลสเราไม่ใช่ไปทําแล้วเข็ดจนตายเลยนะแล้วก็ อีกต่อไปก็คื อ, ค, อคือไม่มาอีกเลยนะก็ให้ดูความพอประมาณแต่ว่าอย่างน้นนอยๆเนี่ยเราควรจะฝึกลดกิเลส ข, ของเราด้วยถ้าใครไม่ฝึกเนี่ยจริงๆมันจะได้แต่งานนอกนา ง, งานในจิตของเรามันจะไม่ได้เพิ่มเลยแล้วคนนั้นก็จะไม่มีวันที่จะพบบรมสุขหรือความสุขอันแท้จริงจากการลดกิเลส ข, ของเราได้เลยเอาวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้